เรต้องออกทางทีวานานเมือ่อนานแจ่แอเวลากลางวันก็เหมือนมากกลางคืนก็เหมือนมากเพรแบกดีกระไรไม่ไม่รูุหตรงที่วางตวจการดูเรื่องกาที่เราปิดเราพูดอล้วออกมามันไม่คึกนะพระ ควแห่ดมักเต็มวันจนแล้วมันก็หนักองหนึ่งมีความเหม็นประยันองหนึ่งมีความเหเม็นประยันมีที่ยาประยันองหนึ่งมีที่ยาประยันซึ่งส่วนมากว่างันเดิมมีแต่เรื่องขัดเรื่องขวางทำยังไงขัดความหมู่เพื่อนสิ่งที่ขัดขวาง ม, มันไม่ ร่องไม่เดินตามร่องอร่อยนั่นนั่นมีแต่ผลลบทางนั้นมันไม่มีผลดีมันถึงได้พูดหรือไม่เนลลี่ยร่ำ ม, มากเพราะเคยถึงโทษของมันมาแล้วมันเราก็ร่ำ ม, มากถึงโทษอีกเพิ่มขมมึ้นมาอีกนะสบายเลย การปฏิบัติเป็นการติดตัวหลับทันหลับในหลักหนุคณะซึ่เป็นปฏิบัติดีงามมันเป็นคนดีเมื่อไรมันเป็นของเร็วแต่ไหนทํามผู้ปฏิบัติจิ้ไม่เห็นโทษของมันแล้วตั้งตัวเป็นความเร็วมีกิริยาการอยู่ตลอดมาดูทีไหน ในเราเราพู่แล้วอย่างหยาบก็มีอย่างกลางก็มีอย่างนี้ก็มีส่วนอย่างละเอียดเราก็ไม่ค่อยอะไรครับไม่จะปักใจอะไรมงนักเพราะมันเข้าใจได้ยากต้องพูดข้างกับปากให้ข้างใน้นึ่งแต่ส่วนอย่างหยาบที่พูดออกมาแล้วปฏิบัติไม่ได้ฝืนอยู่เสมอในคำสิ่งที่ห้ามสิ่งที่ว่าไม่ควรนะ เผยอเป็นประจํานี่มันทําให้ปักใจไม่ปักมันก็ปักเองเพราะเป็นเหตุที่ ย, ยากไม่น่ายจะท่างบุญทางวิทยายกันอยู่ถึงจะจําได้พูดเพียงคําเดียวเท่านั้นก็จําจได้แต่นี้เข้าใจว่าไม่สนใจจะจําไม่ใช่ว่าจําไม่ได้ไม่สมควรของผูดตั้งใจมาศึกษามาอบรมไม่อความสงบกส้นใจอะไรเลย ตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นวัดเหมือนอวัยวะเดียวกันตามประเพณีของพระพุทธเจ้าศาสาวกท่านดําเนินมนอาอย่างไรอวัยวะเดียวกันย่อมคล่องตัวการขีดขวางกันคนละสิ่งละอย่างคนละความรู้คนละความเห็นคนละคนละความตกผลิตมันเป็นสิ่งที่ขัดที่ขวางที่ทําลาย ความคุมคืนความสามัรถีอันเป็นเรื่องของอดของทำไปโดยลำหนับลำดาจนกระทั่งถึงใช้การอะไรไม่ได้มันเป็นค่าสิทธิต่อธรรมเหล่านี้เราก็เคยพูดแล้วการขบการฉันน้ำร้อนน้ำชาส่วนฉันอาหารมีตรสร้างคนอยู่แล้ว น้ำร้อนน้ํนนชาชากาโก้กๆๆแฟสถานที่รวมสถานที่ฉันมีอยู่แล้วเคยบอกอษษษท่าสทราบทัอยู่แล้วว่าคืออะไรคือที่ไหนเนี่ยก็คือครวนน่นไม่ใช่คือกุฏิที่อยู่ที่พระของพระผู้เกียรติครางพระผู้หญิงแกตัวพระผู้ไม่เอาไหนพระผู้เด่นกว่าเพื่อนสําคัญว่าตนถูกต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่กุฏิของพระเช่นนั้นพอที่จะขนสิ่านี้ไปบังลุงตัวเองโอ้อวดเพื่อนสูงครูว า, าจารยอยู่ด้วยความหน้าด้างอย่างนั้นการอดอาหารใครก็เคยอดอดก็อดเพื่ อ, อเพื่อทไม่ใช่อดเพื่อขวางหมู่ความเพื่อนความครูวขวางอาจารย์ความหลอกทำห น, หนวกยี่งไป ความความสมั่นกดีงามทังหมด ก, <c oughs> การอดอดเพื่อทำไม่ใช่อดเพื่อเทวทัพที่จะทาําลายดีนามทั้งหลายทําไมมันจึงมีอยู่เสมอนี่ถ้าเราได้เห็นได้ทรากคราวนี้แล้วจะจะต้องออกจากวัดทันทีทันทีไม่อยู่เพราะสิ่ง น, นี้เป็นสิ่งจำยา่างเป็นสิ่งที่ผัดความต่อหมู่ต่อคณะ กูรีกอจาจย์ไม่ใช่ของดีอยากเอาสิ่งเอาของเอานมเอาเนยเอาอะไรอะไรไปไว้กิพุัติของตัวของตัวแต่ละลายละลาสำหรับวันนี้ไม่มีอย่างนั้นพอแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยพ า, านำเนยมามีอะไรก็ฉันกันที่ทฉันเป็นซราลาฤกตัวนี่ผมเคยอยู่กับท่านมา ตำราท่านเองท่านไม่มาเกี่ยวแล้ยมีอะไรตั้งท้ า, ายมันฉันดิเขาถวายอะไรอะไรตั้งต่อประยังี่ผมทํานี่แหละท่านรับแล้วทั้งกนหายเนี่ยไปเลยยังมากเขาสัง่งเราดูแลหมู่พื่อนถ้าเป็นเครื่องใช้แม่ท้อยถ้าเป็นเรื่องนีขบคมองฉันอะไรท่านไม่พูดเพราะไม่ได้ถึงจีนที่จะพูดยิ่งลุกอันดีทุกคนทุกคนแล้วพูดถึอะไรเนี่ย อันทาําย่านั่นท่างก็ถูกนสิผูทุกอย่างที่ตกมานั่นพระในวัดท่านก็ถือเป็นลูกของท่านทั้งหมดเป็นไปเทียมว่าอาจจะไม่รับพออไม่เข้าใจก็แนะให้คุวผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าคอยแน่คอยบอกคอยจัดคอยส่งให้ท้งนี้วัด น, นี้เราก็ดำเนินอุตสาห์เอา ยึดเอาเรื่องของครูบาอาจารย์มาพาหมูเพื่อนนําเลยไม่ใช่ผมอุตริไม่ใช่ผมมาใช้อํานาจบาดหลวงใส่หมู่ใส่กองใส่ะนะใคณะเนี่ยมาพาเป็นจำไว้ปัจจัยของขายจะมีมากน้อยนั่นเป็นเรื่องปัจจัยไม่ใช่เป็นเรื่องจะเอามาอวดอานาจศาสนาลอะอาตนของตนมีอยู่ตนไม่รับผัวนขาตนอยากซัก เอาบรรทุกลกยนต์รดไฟมามาฉันมาช้โดยลําพังส่วนเดียก็ได้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของโลกอันนั้นเป็นเรื่องของปัจจัยสี่เอามาสังหารพระพิมุโงเขาเขาบวชปัญญาก็ได้เอามาเป็นเครื่องส่งเสริมจิเลสได้ง่ายจะตายไปอย่างนั้นอยาวามาเกี่ยวข้องให้คํานึ่งถึงหลับทำหลังไหนใครจะมีหรือไม่มีก็ตาม ผมก็ไม่เคยหึงเคยหวงจัตุปัจจัยกายฐานทั้งสี่ที่เข้ามาให้ทานเปิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเปิดภายในวัดเป็นอันดับหนึ่ง เ, เปิดเพื่อสองเคราะห์โลกเป็นอันดับต่อไปซึ่งเห็นว่าเป็นอัจเรสะลาภที่ออัจเรสะวัตถุสิ่งที่เหลือเฟือหรือสิ่งที่ส่วนส่วนเกินออกไปจากพระ ซึ่งเป็นอันหนึ่งแล้วผมคิดไม่จากได้ทาไปมีใครจะเอาอะไรใครจะจัดเป็นอะไรด้วยความคําเป็นผมไม่เคยห้ามไม่เคยว่าเพอผมเปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หมดดู่เพื่โดยหลักทำจิตใจก็เป็นอย่างนั้นด้วยไม่เพียงแต่เราบางังคับเับใส่ทำใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยแล้วมีความเมตตาสงสารหมดดู่เพื่อนทเต็มวัดนี้ก็เพราะความสงสาร ผมไม el like ่เอาหมูเพื่อนมาเป็นเครื่องประดับอํานาจลักษนาบุญยากลุ่มผ่านว่าผมนี่มีหมูมีพระนั่นลูกหินลูกหามากมีครับมีประชาชนเขาลดนับถือมากผมไม่เคยมีอย่างนั้นแม้แต่เม็ดตายเดียวอยาว่าแต่เม็ดหินเม็ดนาเลยนะแม้แต่ใตายเดียวก็ไม่ตูการุณนจิล่าหมูเพื่อนไม่เพื่อสุบเคราะ์เพื่อนุเคราะห์โดยที่เราคิดถึงเรื่องจิตใจของเราตั้งแต่เร้น ประมาทที่ฮักครูบาอาจารย์เพราะตนยังพึ่งตนไม่ได้จอมแบอบกอมพึ่งครูาอาจารย์แล้วพี่เอาอย่างนั้นมาเทียบอย่างแล้วรับหมู่เพื่อนไว้ทหักนะนิยายเห็นได้ยินได้ยินอีกนะอพองนมพุงเนยปกติฉันผู้โอดอาหารตูวอะไร ต อ, อาหารก็เพื่อจะดัสํำดานตนเองไม่ใช่เพื่อมาท่านงมาอวดตัวมาขวางหมู่ขวางกันนะถ้าอดอย่างนั้นแล้วอยากอดมันจะไม่ได้ขวางการอดท้ก็เคยอดไม่คุยนี่ก็เคยอดมาแล้วจิมแไม่นำมาเรื่องราวการอดนี่เห็นว่าเป็นประโยชน์การปฏิบัติที่ถูกกันมาสอนหมู่สอนคณนะ นั่นทำไ ม, มอดอาหารนั้นไม่ฉันนั่นหรือเดินมาฉันที่นี่มันจะเป็นยังไงมันจะเป็นจะตายไปหรื อ, อมันจะเป็นจะตายให้มันเห็นที่พี่มันเป็นที่ตรงไหนมันตายที่ตรงไหนในรู้เรื่องนี่อยากให้ผู้ดีนานอย่างเจ้ปัจจัยเจ้าของไปคิดจะหามาหรือไม่หามานั่น ไม่ใชาเป็นเรื่องที่จะมาลบล้างหลักเกณฑ์ที่ดีางามนั้